ขอนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราธิรักิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตตีในวัคที่สองในภูตคามวัที่สองประดับด้วยสิกขาบทสิ สิกขาบทที่ต้นชื่อภูตคามัสสิกขาบทมาด้วยเรื่องการพากพูตคามปัดต้นไม้ความว่าเพิกตูทําภูตคามคือต้นไม้ต้นหญ้าถาวันให้ตกไปคือให้กําเริบเป็นปาจิตตีต้นไม้ต้นหญ้าถาวันซึ่งเกิดอยู่ในบกและในน้ําที่ต้นไม้และกําแพงแห่งใดแห่งหนึ่งโดยที่สุดแม้ตินชาติคือ ยญ้าอันสุขุมละเอียดยิ่งนักดังของเกิดที่กำแพงและหินและเสวาลชาติพวกสารายจอบแหนเล็กดังมเมล็ดพันธกาศยังสดเขียวอยู่ตั้งอยู่ในที่แห่งตนชื่อว่าพูตคามสิน้นก็คือเป็นพูตคามทั้งนั้นที่ตูรู้อยู่ทำให้กำเริบคือถอนขึ้นจากที่ยกขึ้นจากน้ำ และตัดต่อยวันแทงเผาเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําให้กําเริ่บโดยในดังกล่าวแล้วในปฐวีคณะสิขาบทต้องอาบัตปาจิตตีเพราะฉะนั้นก็ทั้งขุดดินแล้วก็ตัดต้นไม้นะสองสิขาบทนี้เป็นสามปฏิกะเพราะว่าใช้คนอื่นก็เป็นอาบัตทั้งนั้นต้นไม้ต้นหญ้าถาวันทั้งปวงนั้นเขาพรากออกจากภูตคามแล้ว คือถอนตัดมาจากที่แล้วจะเป็นของมีรากและรำต้นและข้อและยอดและเมล็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพืชก็ตามชื่อว่าพีชคามคือสามารถที่ยังจะงอกได้อีกแต่ว่าพลากจากที่มาแล้วพีชคามเหล่านั้นเขาเอามาไว้ในภาชนะหรือเขาทำเป็นกองไว้หรือเขาปลูกไว้ในพื้นอีกแตกแต่รากอย่างเดียวยังไม่แตกหนอ หรือว่าแตกแต่น อ, อย่างเดียวยังไม่แตกรากถ้าแม้เกลียวใบประมาณสักคืบหนึ่งแตกออกรากยังไม่แตกออกหรือว่ารากแตกออกแล้วนอยังไม่เขียวตราบใดก็ชื่อว่าพีชคามอยู่ตราบนั้นเมื่อให้พีชคามเหล่านั้นกำเริบเป็นทุกกฎสงสัยอยู่ในภูตคามและพีชคามก็ดีไม่ใช่ภูตคามหรือพีชคามก็ดี แต่ว่าสําคัญว่าเป็นภูตคาหรือพิชคามหรือว่าสงสัยอยู่และให้กําเริบเป็นทุกกฎถ้าสงสัยแล้วคืนไปให้กําเริบ ก, ก็อบัตทุกกฎก่อนเป็นภูตคามและพิชคาที่สูงสําคัญว่าไม่ใช่แล้วให้กําเริบและที่สูงเป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัติถ้าแม้เป็นภูตคามรหรือพิชคามแต่ว่าสําคัญว่าไม่ใช่นะแล้วก็ไปทําให้กําเริบนี้ก็ไม่เป็นอบัตเพราะว่าเข้าใจว่าไม่เป็น ไม่แกล้งนะกลิ่งหินนะต้นไม้เป็นต้นหรือว่าลากกิ่งไม้และเอาไม้เท้าจดพื้นเดินไปหญ้าเป็นต้นขาดไปเมื่อไม่แกล้งก็ไม่เป็นอบัตดราะฉะนั้นกข่าบทนี้ก็ต้องเป็นสัจจิตกะถ้าไม่มีเจตนาจะพลากจะแกล้งก็ไม่มีอบัติเพราะไม่แกล้งจะให้ขาดไม่มีสตินังทรงจิตไปอื่นพูดอยู่กับผู้หนึ่งเอาหัวไม่เท้าหรือว่ามือตัดเด็ดหญ้าหรือว่าถวันอยู่ไม่เป็นอบัติด้วยไม่มีสติไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นพิจาคามหรือว่าปูตขามอยู่ข้างในและไม่รู้ว่าตนทําให้ขาดอยู่เป็นแต่เอาเหล็กใชยหรือว่าจอบหรือว่าเสียมแทงเข้าไปในรูล้อมฟางเพื่อจะเก็บถือไปไหม่มือแล้วก็ทิ้งไฟลงถ้ายา้าเป็นต้นในที่นั้นขาดไปหรือว่าไม่ไปก็ไม่เป็นอบัับเพราะว่าไม่ได้เจตนาม่รู้ไม่ได้แก้ง และไม่นิยมคือไม่กําหนดว่าต้นไม้นี้ต้นไม้นั้นเป็นแต่กล่าวว่าท่านจงตัดต้นไม้ตัดเถาวันก็ดีและกล่าวว่าท่านจงรู้ดอกไม้นี้ผลไม้นี้ท่านจงให้ดอกไม้นี้ผลไม้นี้ท่านจงเอาดอกไม้ผลไม้นี้มาเราต้องการด้วยดอกไม้นี้ผลไม้นี้ท่านจงทําดอกไม้นี้ผลไม้นี้ให้เป็นกัปติยะกล่าวดังนี้ก็ดีไม่เป็นอาบัติแม้กระทั่งบอกให้ไปตัดต้นไม้ ตัดต้นมะม่วงนะมะม่วงนี่มันรกเล้ะเทอะหมดแล้วงั้นก็ไปตัดต้นมะม่วงเขาก็รู้เองนะเราไม่ได้ไปชี้ว่าต้นไหนต้นไหนต้นไหนนี่ก็ไม่มีอบัตไม่ได้เจาะจงถ้าไปกำหนดนะบอกให้ตัดต้นมะม่วงต้นนี้หน่อยตัดกิ่งนี้หน่อยอันนี้เป็นอบัตในสิกขาบทนี้ในบาลีภูตะคามท่านเรียกว่าพีชะไม่เรียกว่าพีชคามในอัตถาสอนให้ถือเอาเนื้อความว่า ภูตคามที่เกิดแต่พืชมีรากเป็นต้นเรียกว่าพีชะก็เป็นภูตคาลภูธคามถ้าเรียกว่าพีชะไม่จะเรียกว่าพีชคามเหมือนคำว่าสาลีนังโอดโนสาลีนังโอดโนแปลตามศัพท์ที่มีอยู่ว่าข้าวตุกแห่งข้าวสาลีแต่สอนให้ถือเอาความว่าสาลิตันดุลานังโอดโนว่าข้าวสุกแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลี ชื่ว่าสาลีนางโอดานโอก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีแต่ก็หมายถึงข้าวสุกแห่งข้าวสาลซึ่งมาจากข้าวสาลีนั่นเองนพระอาศัยคำในพระสูตรว่าพีชขามภูตะขามสมารัมพาปฏิเวรโตแปลว่าเทีตุย่อมเป็นคนเว้นจากความปรารบคือทำพีชคามภูตะคามให้กำเริบแล้วกล่าวว่าพืชมีรากเป็นต้นเกิดอยู่ในที่ชื่อว่า ปูตคามเพราะนั้นถ้าเป็นพืชที่มีรากแล้วเกิดอยู่กับที่นี้เรียกว่าปูตคามแต่ถ้าพลาดจากที่แล้วคือพลาดให้พ้นจากปูตคามแล้วชื่อว่าพีชคามพีชคามไม่เป็นวัตถุแห่งทุกข์กดปูตคามเป็นวัตถุแห่งป่าจิตตีพีชคามนั้นเมื่อจะบริโภคพึงให้อนุสัมบัณทํากับปิยะเสียอีกเพื่อจะให้พ้นจากพีชคามก็แลอาการซึ่งจะทํากับปิยะนั้นจะกล่าวในเบื้องหน้าสิขาบทนี้เป็นสานักติการ สานติกะสานบริการทําด้วยมือของตนเองถ้าสานติกะนี่หมายถึงว่าใช้ให้เขาทําก็เป็นอบัติถ้าอนานติกะนี่ใช้ให้ทํานี่เป็นอบัติผู้ทําต้องอบัติสานติกะใช้ให้ทำเป็นอาบัติสานติกะก็มีองค์สามก็คือเป็นภูตคามอย่างหนึ่งอันที่สองก็รู้อยู่ว่าเป็นภูตคามอันที่สามก็คือให้กําเริบเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นทําให้กําเริบ พร้อมด้วยองค์สามนี้ก็เป็นปานสิตรีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปัทวีคณะนักสิกขาบทเลยส่วนปัทวีคณะนักสิกขาบทก็เหมือนกับอคินนาทานสมุทฐานนั่นเองก็คือมีสมุทฐานสามได้แก่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเภท จ, จิตกะแต่ว่าอคินนาทานนั้นเป็นโลกวัชชะส่วนข้อขุดดินกับตัดต้นไม้นั้นเป็นปันณักติวัชชะเป็นกายกรรมอาชีกรรมเป็นอะไรสัญญาวิโมกเพราะว่าเป็นส จ, จิตกะ เป็นกลยกรรมกิกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามมีจิตสามเวทนาสามเหมือนกันอภิาฐานก็จิตสามเวทนาสามต่อไปสิกขาบทตอที่สองชื่อว่าอัญญะวาตกะสิกขาบทความว่าพิจุไดยต้องอาบัตเป็นสาวะเศษก็คือยังมีส่วนเหลือเมื่อสงซักไซในท่ามกลางสงไม่ปรารถนาจะแจ้งความนั้นพูดจะปลบเลื่อนซักว่าใครต้อง ต้องอย่างไรต้องที่ไหนเป็นต้นก็ดีหรือนิ่งเสียทําให้สงลาบากกาดีต้องอบัตทุกกฏครั้งสงยกอัญญาวาดกรรมแล้วก็คือส่วนสมุภาพนะส่วนยติเพราะพูดกบเกลือนหรือว่ายกวิเหตกรรมแล้วพระเธอนิ่งเสียทําให้สงลำบาก ด, ด้วยยติพูดอิย ก, กรรมวาจาแล้วสงซักไซอีกกล่าวคํากลบเกลื่อนเสียหรือนิ่งเป็นปัจจิตี ทำทั้งสองอย่างก็เป็นปฏิติเตองตัวเลยในสิกขาบทที่สามชื่อว่าอุชาปนากะความว่าพิษุชวนพิษุอืน่นให้ดูถูกซึ่งพิษุอันสงสมมุติให้เป็นผู้ทำการสงมีปูอาสนะและแจกล่าเป็นต้นหรือติดเตียนพิษุเช่นนั้นในสำนักพิษูด้วยกันว่าเธอทำด้วยฉันทาคติเป็นต้นดังนี้ด้ปรารถนาอาวันนโทษแกเธอนั้นก็คือจะ ปรานาในการที่จะใส่ร้ายในการที่จะประกาศโทษภรรณะก็คือไม่กันเชิญก็คือติเตียนนั่นเองและเธอนั้นไม่ได้ทําด้วยอคติตีมีฉันทะคติเป็นต้นเธอผู้ติเตียนต้องปจิตตีทำทั้งสองอย่างก็ต้องไปจิตีสองตัวก็คือบูชาเป็นตเกียขีณเกเป็นผู้เพ่งโพานาหรือว่าเป็นผู้ด่าว่าในสมมติกรรมที่สง ท, ทําแก่พิสูจผู้ทําการสงนั้นเป็นธรรม เป็นติกัดประจิตตีถ้าเกิดเขสมมุติให้พิจูที่ดูแลเทนัตนาภูลาภถือว่าแจกกล้ามเนี่ยเป็นคำเป็นธรรมก็ไปใส่ร้ายไปเพ่งโทษติเตียนด่าว่าเป็นติกัดประจิตตีในการไม่เป็นธรรมเป็นติกัดทุกกฎติเตียนในสำนักอนุสัมพันธ์ือว่าติเตียนกล่าวโทษอุปสัมบันิที่สองไม่ได้สมมติในสำนักพูดใดพูดหนึ่งก็ดีหรือติเตียนอนุสัมพันที่สองสมมุติก็ตาม ไม่ได้สมมุติก็ตามทําการสงโดยธรรมนั้นในสํานักแห่งผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีเหล่านี้เป็นทุกกฎอย่างเดียวถ้าเขาไม่ได้สมมุติแต่ว่าเขาก็ทําไปอย่างดีแล้วก็ไปติเตียนเพ่งโทษโัฒนาภาว่านะนี่ก็อบัตรทุกกฎแต่ว่าถ้าก็สมมุติแล้วให้ทําการสงแล้วก็ไปติเตียนนี่ไปไปเป็นปฏิจจตีชวนพิสุให้ดูหมิน่นหรือว่าติเตียนผู้ทําการสงอยู่ด้วยอัคติสี่มีฉันทาคติเป็นต้น ไม่ชอบทำโดยปกติและพิสุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัตถถ้าเกิดเขามีอ ბ ัตถจริงๆแล้วก็พูดตีเตียนว่าร้ายอย่างนี้ก็ไม่เป็นอบัตถ์ทีขาบทข้อนี้เป็นอนานติกามีองค์หกก็คือผู้ทําการสงได้สมมุติด้วยกรรมเป็นธรรมอย่างหนึง่งผู้ทําการนั้นเป็นอุปสัมบันคือเป็นพิกสุไม่มีความถึงอ ბ ัติไม่มีอ ბ ัติ์ี่ไครอ์อวรณโทษก็คือกล่าวตีเตียนแต่ผู้นั้นองค์ที่ ห้าก็คือพูดในสำนักผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสมบันิไปกล่าวติโทษกับอุปสมบันด้วยคือไปติเตียนติสุที่ได้รับทําการสงสารติสุอื่นนั่นเองแล้วก็ชวนให้ดูหมิ่นหรือว่าติเตียนพร้อมที่องค์หกนี้ก็เป็นปัจจิตีสมมุติสามวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยอธินนาทานสิกขาบทนะเศสิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวสิกขาบทนี้เป็น สมุทฐานเหมือนกับทินนาฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแตว่าเป็นทุกเวทนาอย่างเดียวสิกขาบทที่สี่ชื่อว่าปฐมเซนาชนะสิกขาบทความว่าภิกตุใดแต่งตั้งปูราตเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นแต่งตั้งภูราตซึ่งเตียงหรือตังหรือฟูกหนังฟูกผ้าหรือเก้าอี้ในอโชก่าคือที่แจ้งในฤดูฝนสี่เดือนและมนตกที่ฝนรั่วได้และโคนไม้เป็นที่อยู่หนึ่งนิดแห่งกาและนกตระกูลเป็นต้น ก็ื่จะรีไปไม่รื้อเก็บเองหรือว่าไม่วาดผู้อื่นให้รื้อเก็บของนั้นไว้ที่สมควรหรือไม่สั่งเสียมอบหมายแก่พิจูณ ส, สามเนนและคนรักษาวัดและอุบาสตกซึ่งเป็นลัทธิสาคัญประหนึ่งว่าธุระของตัวเหล่านี้ผู้ใดผู้หนึ่งก่อนหมายถึงว่าถ้าไม่ไปบอกกับผู้ที่เป็นลัทธิพิจูณหรือคนวัดเขาจะได้ดูแลรักษาถ้าไม่บอกก่อนแล้วก็ไปล่วงเลือดทุบาทที่ก้อนดินตก ที่ตกแห่งก้อนดินแห่งมัชิมะบรุษกว้างแต่เตนาสนะนั้นไปด้วยเท้าทีแรกเป็นทุกกฏด้วยเท้าที่สองก็เป็นพาจิตตีพระองค์ทรงอนุญาตให้ตั้งและปูเตียงตั้งเป็นต้นในฤดูดาวสี่เดือนและฤดูร้อนสี่เดือนแปดเดือนนี้สังเกตว่าใช่การฝนก็คือไม่ใช่ฤดูฝนนี่นะหรือในมันดบและโคนไม้ตึ้งกาและนกตะกุมไม่ถ่ายอุจระหรือว่าไม่ถ่ายเวทลง ในที่เหล่านี้ไม่รื้อเก็บก่อนและไปไม่มีโทษถ้าไม่ใช่ฤดูฝนหรือว่าไม่ใช่ที่มีที่นกที่กาอะไรต่างๆมันลเลอะเทอะพนด็กก็ไม่มีโทษทีต่ตั้งไว้ปูไว้เพื่อผู้อื่นผู้อื่นนั้นยังไม่มานั่งในที่นั้นหรือยังไม่กล่าวว่าท่านจงไปเถิดตราบใดยังเป็นภาระแก่ผู้ลาดอยู่ตราบนั้นอุปสัมบัตินั่งในเตียงต่างเป็นต้นที่ตนตั้งเองหรือว่าเขาลาดไปแล้วโดยปกติอันใด ของทั้งพวงนั้นเป็นภาระแก่ผู้นั่งแท้ใครมานั่งก็เป็นภาระแก่ผู้นั้นนะที่ตูดยืนอยู่ณนะโรงฉันบังคับว่าท่านจงไปตั้งไว้ลาดไว้ในที่อยู่กลางวันชื่อโนู้นแล้วจงไปเธดแล้วเธอผู้บังคับออกจากโรงฉันนั้นไปเสียในที่อื่นเจ้วินิททรพึงกลับอบัตเธอด้วยจกเท้าถ้าเป็นตั้งในเข้าไปตั้งจริมตั้งไว้แล้วตัวเองจะต้องไปดูแลถ้าไปในที่อื่นก็เลยเสียนาสนะที่ตั้งนั้นไปก็เรตุบาตับอบัตด้วยยกเท้า ในเตนอาสนะเป็นของสงเป็นติกะปะจิตตีในของบุคคลเป็นติกะทุกกดเครื่องลาดรักษาสีพื้นเครื่องลาดบนเตียงเครื่องลาดพื้นเสื่อลำแพนเสื่ออ่อนท่อนหนังท่าเช็ดเท้าตั้งกระดานหรือว่าเครื่องไม้เครื่องดินโดยที่จุดแม้เครื่องรองทำด้วยใบไม้เหล่านี้เที่ยงตุ้ตั้งไว้ในอชโชกาตหรือในที่แจ้งนั้นมีลักษณะดังว่าแล้วไปเสียก็เป็นทุกกด พวกเครื่องลาดต่างกระดานเครื่องไม้ต่างๆเหล่านี้ไปวางไว้กลางแช้งรองบเนื้อปัดเหมือนกันก็เลที่สูผู้อยู่ป่าเมื่อที่ฝนไม่ตกทับได้ไม่มีมก็คือฝนตกเปียกหมดนั่นแหละแล้วจะเอาของทั้งปวงแขวนต้นไม้ไว้หรือว่าสัตว์มีปลวกเป็นต้นจะไม่กลับได้อย่างไรแม้จะทําไว้อย่างนั้นแล้วจึงไปก็ควรเมื่อมันไม่มีที่อื่นเกาไปไว้กลางแช้นั่นแหละแขวนไว้ที่ต้นไม้ก็ได้ที่ปลวกไม่กิน เอาหญ้าเอาไรมุงไว้ทิศุผู้ถืออโภกาสิกัดทุดงอยู่ที่แจ้งก็พึงทํากุดีด้วยจีวรรักษาเตียงต่างไว้ในเสนาชนะของตนและของบุคคลผู้คุ้นเคยกันถ้าเป็นของบุคคลผู้คุ้นเคยกันก็ไม่เป็นอบัติเก็บเองหรือวานผู้อื่นให้เก็บหรือบอกกล่าวไว้แล้วจึงไปก็ดีเอาออกตาหรือว่าไปด้วยคิดจะกลับมาเก็บหรือมีผู้กลางตั้งเสนาชนะนั้นไว้คือมีผู้มา ไล่ทิศถูผู้กแก่มาไล่ให้ลุกอามนุษย์มานั่งหรือว่าคนที่เป็นอิสระมาถือเอาสัตว์ร้ายมีรายจะตีเป็นต้นมายื่อยู่ในที่นั้นเหล่านี้จริงใดจริงหนึ่งมีแล้วไม่เก็บก็ดีหรือว่าไปเสียเพราะกลัวอันตรายแก่ชีวิตและพรหมจรรย์เป็นต้นประดีและทิศถูป้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัตสิขบฏข้อนี้เป็นสานากติกาใช้ให้เป็นแต่งตั้งก็มีอบัติด้วยมีองค์หกก็คือเตียงต่างเป็นต้นเป็นของสงอย่างหนึง่ง ลาดเองหรือใช้ผู้อื่นให้ลาในที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วอย่างหนึง่งข้อที่สามก็ไม่มีถึงใดกางกั้นอยู่ข้อที่สี่ไม่มีอันตรายข้อที่ห้าไม่เหลยวแลในที่จะกลับมาเก็บข้อที่หกล่วงเล็ดทูบาทไปก็พร้อมด้วยองค์หกนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยปรถมกับหินสิกขาบทแปลแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะก็คือต้องพระทําด้วยต้องพระไม่ทําด้วย ต้องเพราะทมคืออะไรก็คือทําการตั้งตั้งเทียงตั้งของส่งไว้ในที่แจ้งแล้วก็พระคิริยาก็คือไม่บอกให้คนอื่นรับรู้ไม่บอกให้คนอื่นเก็บส่วนสมุดฐานตมุดฐานเหมือนกับปฐมกถินสิขาบทปฐมกถินสิขาบทก็เกิดแต่กายวาจากับกายวาจ า, า, าจาิตสมุดฐานสอง บทฐานสองโนสัญญามมมอาิโมกัจจกะปันนาติวัชกาอกรรมจีกรรมสิสามเมธนาสามสิขาบทที่ห้าชื่อว่าพุทธิยักษ์เสนาสนะสิขาบทความว่าติ๊กตุใดถือเอาเครื่องปูนอนสิบอย่างก็คือหนึ่งฟูกสองเครื่องราชรักษาสี่พื้นสามเครื่องราชบนเตียงต่างเป็นต้นสี่เครื่องราชพื้นห้าเสื่อใบตานเป็นต้นหกหนังอันใดอัหนึ่งเจ็ดผ้านิสิธนะณีชายแปด ปัจจัต t รณะก็คือผ้าปาวานและผ้าโกเชาเก้าเครื่องลาดแนวด้วยหญา้าสิบเครื่องลาดแนวด้วยใบไม้สิบอย่างนี้เป็นของสงแม้แต่สิ่งหนึ่งถือเอาโดยลำดับพรรษาของตนมาปูลาดเองหรือให้ผู้อื่นปูลาดในวิหารคือห้องบางรอบบางรอบหมดซึ่งเป็นของสงจะดีไปถูกทิศและตั้งไว้อย่างไรปลวกจะไม่กัดเป็นต้นได้ ไม่รื้อเก็บเองหรือว่าไม่ให้ผู้อื่นหรือเก็บตั้งไว้อย่างนั้นหรือไม่บอกกล่าวมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งดังกล่าวและในสิทธาบทกรล่วงที่ล้อมอารามออกไปาอารามไม่ได้ล้อมร่วงอุปจาระอารามออกไปในท้าวแรกก็เป็นทุกกฏถ้าอารามนั้นล้อมนะร่วงที่ล้อมของอารามนั้นออกไปถ้าอารามไม่ได้ล้อมร่วงอุปจาระของอารามนั้นออกไป ในเท้าที่แรกเป็นทุกกรดในเท้าที่สองก็เป็นปัจจิตีก็แลในที่ใดความรังเกียดด้วยปลวกไม่มีก็คือที่นั้นปลวกไม่ขึ้นเพราะว่าอย่างสมัยนี้ก็เป็นปูนซีเมนอย่างเงี้ยนะแม้จะไม่บอกกล่าวมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแลวไปจากที่นั้นควรอยู่ก็แต่บอกกล่าวมอบหมายเสีย น, นั้นแหละเป็นวัดในวิหารเปของสงเป็นติกาปจิตีในของบุคคลเป็นติกาทุกกฏก็หมายถึงว่าคือจะรู้ หรือไม่รู้หรือว่าสงสัยก็ตามว่าเป็นของสงหรือว่าของบุคคลเนี่ยนะจะรู้ว่าเป็นของสงวิหารของสงก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามหรือว่าสงสัยก็ตามก็เป็นปฏิเตี๋ยทั้งนั้นถ้าปูร่าดของสงเอาไว้นั่นน่ะถ้เป็นของบุคคลก็บัตรทุกดฎปูร่าดเองหรือว่าให้ผู้อื่นปูราดที่นอนในอุปจาระแห่งวิหารคือที่ใกล้ภายนอกหรือในโรงฉันหรือว่าในมณดที่บังและไม่ได้บังหรือในรุกขมูลที่เป็นที่ประชุมชนมาก อันหนึ่งตั้งเองและใช้ให้ผู้อื่นตั้งซึ่งเตียงต่างในวิหารและอุปจาระแห่งวิหารดังกล่าวดังว่าแล้วไม่ทำการเก็บเชื้เองเป็นต้นแล้วแลไปก็เป็นทุกกฎอย่างเดียวถ้าไปปูในอุปจาระแห่งวิหารที่ใกล้หรือว่าในโรงชั้นต่างๆในวิหารเป็นของตนหรือเป็นของบุคคลผู้คุ้นเคยกันไม่เป็นอบัตทำการเก็บเทเองเป็นต้นและมีผู้มากางกั้นดังกล่าวในตุคาบทกร ทิ้งเสียไปก็ดีคิดว่าจะมาเก็บในวันนี้แล้วไปยังแม่น้ําหรือว่ารแวก บ, บ้านคิดว่าจะไปต่อไปหยุดอยู่ณที่นั้นบอกราวมอบหมายก็ดีหรือว่าน้ําท่วมและโจรเป็นต้นกลางกั้นอยู่กลับมาไม่ได้ก็ดีหรือว่ากลัวอันตรายแก่ชีวิตและพรหมจรรย์ก็ดีและที่สุ บ, บ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบับดัตสิกขาบทว่านี้ก็เป็นสารนักธิกา ร, การใช้ให้ไปปูร่าก็เป็นอับัติมีองค์เจ็ดเลยก็คือ ที่นอนมีลักษณะดังกล่าวหมายถึงเป็นเครื่องลาดสิทชนิดเนี่ยแล้วก็อันที่สองก็คือที่นอนนั้นเป็นของสงด้วยอันที่สามลาดเองหรือว่าให้ผู้อื่นลาดในวิหารมีลักษณะดังกล่าวแล้วข้อที่สี่ไม่มีผู้กลางกั้นข้อที่ห้าไม่มีอันตรายข้อที่หกหลีกไปยังทิศในทิศจะกลับข้อที่เจ็ดก็ร่วงอุปจาระผีมาไปพร้อมที่องค์เจ็ดนี้จึงเป็นป่าจิตตีสุมทานวิธีก็เป็นเช่นดังกับสิกขาบทดังกล่าวมาก็คือในปฐมเซนาชนะ หมายถึงสมมติฐานเหมือนกับผสมกรถิ่สิกขาบทก็คือต้องเอาว่าสมมติานสองกายวาจาอย่างหนึง่งกับกายวาจาเกีตอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเกียริยาเกียริยะเกริยาเกีริยะหมายถึงว่าทําด้วยไม่ทาด้วยทําก็คือไปปูราดในวิหารของสงฆ์เครื่องละหละักนี้แล้วก็อคิริยาก็คือไม่บอกให้คนอื่นเก็บไม่ตังให้คนอื่นเก็บเป็นโนสัญญาอิโมกอจิตตะกะปันนติวัชะกายกรรมะชิกรรมีมจิตสามมิเวทนาสามเหมือนกัน ต่อไปสิกขาบทที่หกอนูปคัชชะความว่าทิสุไดรู้อยู่ว่าทิสุผู้เข้าไปก่อนเป็นคนไม่ควรจะให้ลุกคือเป็นทิสุกแก่พรรษาและเป็นทิสุไข้และทิสุที่สองกำหนดควนวิสเตคือเป็นผู้รักษาเตือนคลังเป็นธรรมกระถึกเป็นวินัยทรเป็นอาจารย์เป็นผู้บอกคณะในถึง ส, สอนหมู่คณะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสมมุติวิหารให้อยู่เป็นนิดสามอย่างพวกนี้ อยู่ในวิขิตเป็นของสงชื่อว่าเป็นคนไม่ควรจะให้ลุกเธอรู้อยู่ดังนี้และปรารถนาจะให้คับแคบใจหลีกไปเองแล้วก็เอาที่นอนปูลาดเองหรือว่าให้ผู้อื่นปูลาดในอุปจาระเตียงต่างหรือว่าอุปจาระแห่งที่เข้าออกเป็นทุกข์ครั้นนั่งหรือนอนลงในที่นอนนั้นเป็นปราจิตตีทำทั้งสองอย่างก็เป็นปราชิตตีทั้งสองตัวเลยลก็คือจะเป็นการนอนหรือว่านั่งก็แล้วแต่เนี่ยนะ ทำบ่อยๆก็เป็นปจิตินนับด้วยประโยคในวิหารใหญ่โดยรอบเตียงตังสอบคืบสอบคืบนะเรียกว่าอุปจาระในวิหารเล็กเตียงตังได้นับที่ใดพอตั้งเตียงตังได้นับที่ใดแต่นั้นสอบคืบชื่อว่าอุปจาระเตียงตังแต่หินเป็นที่ล้างท้ามาเตียงตังชื่อว่าอุปจาระที่เข้ามา แต่เตียงตังมาถึงทายปัจจวะที่ทายปัจจวันะตั้งแต่เตียงตังมาถึงที่ทายปัจจวะชื่อว่าอุปจาระที่ออกนะครับมีอุปจาระเตียงตังมีอุปจาระที่เข้าตั้งแต่หินที่ล้างเท้ามาถึงเตียงตังในชื่อว่าอุปจาระที่เข้าตั้งแต่เตียงตังประโยชนตั้งถึงที่ทายปัจจวะตเรียกว่าอุปจาระที่ออกในวิหารเป็นของสง์เป็นติฆาปจิตตีในของบุคคลเป็นติฆทุกฏลาดเองหรือว่าให้ผู้อื่นลาดตึ้งที่นอนหรือว่าที่นั่ง และนอนในภายนอกอุปจาระดังว่าแล้วหรือว่าในโรงฉันเป็นต้นหรือว่าในอุปจาระแห่งกุดีวิหารเหล่านี้ก็เป็นจะเพียงทุกกฎปูราดนั่งนอนในเสนาสนะเป็นของตนหรือเป็นของคนคุ้นเคยกว่าดีที่สุข่ายหรือที่ตุหนาวร้อนเบียดเบียนแล้วเข้าไปก็ดีหรืออันตรายมีแต่ถึงว่าเวลาหนาวมากก็เลยเข้าไปในกุฏิไะเบียบที่ตุหนึ่งไม่ได้เจตนาแกล้งแต่ว่าหนาวป่วยไม่สบาย และทิฏฐุบ้ามีอันตรายพวกนี้ก็ไม่เป็นอาบัติสิบสาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะนะท่านบอกเป็นอนานติกะมีองคศีแทนว่าใช้คนอื่นไม่เป็นอันไปทําคนไปกางกั้นี่ปูราดให้คนอื่นขับแค่คนนั้นก็เป็นมีองคศีก็คือวิหารเป็นที่อยู่ของสงฆ์ข้อที่สองรู้อยู่ว่าผู้อยู่ก่อนไม่ควรจะให้ลุกข้อที่สามปราศนาจะให้ที่ตุนั้นครับแค่ ข้อทีก็นั่งหรือนอนในอุปจาระเพราะฉะนั้นใช้คนอื่นไปนั่งไปนอนคนนั่งคนนอนแล้วอภัตคนใช้ก็ทําในสิ่งไม่จำควรแต่ว่าไม่ต้องอบัตในข้อนี้พร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาริจิตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมประราชิษแต่ว่าแปรใจขั้นบนนี้เป็นทุกขเวทนาปฐมประราชิษยนั้นก็ต้องอภัตด้วยกา ย, กายจิตกายจิตสัจจิกะเป็นโลภวัชชะเป็นกายยักกรรมสัญญาวิโมกแล้วก็เป็น อกุศรจิตเวทนาสองแต่ข้อนี้ต้องเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวเพราะว่าแกล้งสิคขาบทที่เจดชื่อว่านิกกัตนะความว่าพิกษุใดโกรธพิตุแล้วฉุดคล้าเองหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดคล้าออกจากวิหารคือกุฎีซึ่งเป็นของสง์ให้ล่วงประตูออกไปเป็นปาจิตตีป่าสารหลายชั้นหรือเรือนสี่มุกมีทุ่มมาก ในเตนะสนะเช่นนี้จุดฆ่าด้วยประโยคอันเดียวไม่หยุดในระหว่างเป็นปัจจิตตีตัวเดียวจุดฆ่าด้วยประโยคต่างๆหยุดในระหว่างเป็นปัจจิตีนับด้วยประตูแม้ไม่ถูกต้องด้วยมือไล่ให้ออกด้วยวาจาก็อย่างนั้นและบังคับให้ผู้อื่นฆ่าออกพอบังคับก็เป็นทุกกฎบังคับคราวเดียวเขาจุดฆ่าให้ลวกประตูไปแม้มากก็เป็นปัจจิตีแก่ผู้บังคับตัวเดียวถ้าใช้กําหนดว่าจงจุดฆ่าให้ค้นประตูเท่านี้ หรือตรงจุดฆ่าให้ถึงประตูใหญ่ดังนี้เป็นปัจจิตีนับด้วยประตูในวิหารเป็นของสงเขาเป็นปัจจิตีนับด้วยประตูเลยนะถ้าบอกให้จุดฆ่าไปติดประตูก็บาดเสร็จตัวในวิหารเป็นของสงเป็นติดกปัจจิตีในของบุคคลเป็นติดกทุกกฏและจุดฆ่าทิศตุหรือบริขารแห่งทิศตุออกจากอุปจาระวิหารมีโรงฉันเป็นต้น จุดฆ่าอนุสัมพันธหรือบริขารแห่งอนุสัมปันธ์ออกจากวิหารหรือว่าอุปจาระแห่งวิหารเหล่านี้ก็เป็นแต่ทุกกฎนับตามบริขารบริขารที่ชิ้นก็เอาออกไปเพาอาบัติทุกกฎตามจำนวนเท่านั้นจุดฆ่าออกจากวิหารของตนหรือของคนผู้คุ้นเคยและจุดฆ่าผู้มัทธะหรือบริขารของผู้มัทธะแม้ออกจากอารามของทั้งสิ้นก็ดีหรือจุดฆ่าอารัชีผู้มีความละอาย และที่จู่บ้าและปฏิวิหาริษัอันเทวสิทธิผู้ปฏิบัติไม่ชอบหรือจุดฆ่าบริขารคนเหล่านั้นออกจากที่อยู่แห่งตนก็ดีและที่จุ่บ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติจิตกบทข้อนี้เป็นสารานักกาใช้ให้จุดกล้าก็าเป็นอาบัติด้วยมีองค์สามก็คือวิหารเป็นของสง์อย่างหนึ่งเป็นอุปสมบัติพ้นโทษมีความเป็นคนมัดทะเลาะเป็นต้นอย่างหนึ่งจุดกล้าเองหรือว่าให้ผู้อื่นจุดฆ่าอุปสัมบันินั้น ด้วยความโกรธอย่างหนึ่งพร้อมในองค์สามนี้ก็เป็นตาจิตตีสมุทฐานวิธีก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทแต่วสิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาอธินาทานสิกขาบทก็มีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสัจจิตตกะเป็นโลกวัชชาสัญญาวิโมกเป็นไกายธรรมชีธรรมเป็นอกุจอจิตเกียตนาสามอธินนาทานสิก ข, ขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาสิกขาบทที่แปชื่อว่าเวหะสกุดีความว่า ในวิหารเป็ของสองเรีหาสุกดีคือกุดีสองชั้นหรือสามชั้นพื้นบนไม่ได้เรียบชั้นล่างเป็นที่บริโภคสูงพอศีรษะมชิมบรุษไม่กระทบรอดคือพื้นบนทิ่ตุดไยนั่งหรือนอนบนเตียงหรือตัางที่มีเท้าอันจดหรือร้อยเข้าในแน่แค่ไม่ได้กลึงสลักซึ่งเขาตั้งไว้ในเปลืองบนคือรอดชั้นบนเป็นปฏิตี รับด้วยประโยคตามการนั่งกันนอนโดยในอันกล่าวแล้วในอนุประคัตชะสิกขาบทอนุประคัตชะก็คือการที่รู้อยู่ว่ามีทิศที่เขาอยู่ก่อนแล้วก็จะให้เขาลุกขึ้นเข้าไปเบียดเตียดปูราบต่างๆที่นั่งที่นอนแล้วก็ไปเบียดเตียดให้เขาคับแคบใจแล้วก็ออกไปนั้นสมุทฐานต่างๆก็คงจะเหมือนกัน ต่อไปสิกขบทที่เก้าขอ น, นี้ไม่ได้ต้องอภัตไม่ค่อยมีแล้วนะก็เลยไม่ได้แสดงรายละเอียดสิกขาบทที่เก้าก็คือมหันลกระวิหารความว่าพิสูจจะทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําหรือว่าซ่อมแปลงซึ่งวิหารคือกูดีทาบวกทั้งข้างนอกข้างในก็คือทาเพิ่มอนะไปฉาบให้มันหนาขึ้นทั้งข้างในข้างนอกเบื้องบนเบื้องตามด้วยปูนและดิน ซึ่งเป็นวิหารใหญ่คือมีเจ้าของมีเจ้าภาพพึงทาบวกหรือวพอ่อหรือว่าให้ผู้อื่นทาบวกซ้ําบ่อยๆในที่สองส่อคืบโดยรอบเช็ดหน้าประตูเพื่อจะให้ที่ผูกประตูกับทั้งบานแน่นไม่คลอนด้วยที่นั้นเป็นที่กระทบบานประตูในเวลาปิดและเปิดและพึงทาเองหรือว่าให้ผู้อื่นทาซ้ําซึ่งโอกาสแห่งหน้าตา่างกว้างเท่าบานโดยรอบเพื่อจะทําบริกรรมหน้าต่างให้มีสีต่างๆ พึงมุงหลังคาด้วยปูนหรือกระเบื้องหรือศิลาหรือหญ้าหรือใบไม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมุงเองสองชั้นชั้นที่สามพึงให้ผู้อื่นมุงถ้ามุงให้เกินสามชั้นไปไซต์เป็นปตาสิตีพึงยืนในที่ปราบจากของเขียวด้วยคือให้พ้นนาไร่ที่เขาเพาะวานผัวเป็นต้นถ้ายืนในที่มีของเขียวเช่นนั้นทำการทาและมุงต้องทุกกดกราะต้นเหตุมันพังลงมา แล้วก็ไปลงในนาได้ของคนอื่นเขาพ่อเกินสามชั้นกําหนดที่ยืนดังนี้คนนั่งอยู่บนอกไก่หรือว่ายอดแห่งเรือนยอดแลลงมาตามชายคาเห็นคนข้างล่างยืนอยู่ในส่วนพื้นอันใดและคนอยู่ในส่วนพื้นข้างล่างอันใดแลดูขึ้นไปเห็นคนนั่งข้างบนเช่นนั้นพึงยืนในส่วนพื้นเช่นนี้ทําการมุงครับทุกคนนี้ก็ไม่จะมีการต้องอบัษฐแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ ไม่ได้มีการฉาบทาอย่างนี้แล้วใช้ปูนซีเมนต์นีดก็แข็งแรงมา่างมากในกรณีฉาบทาด้ดินอะไรต่าง ม, มันก็พังลงมาได้ต่อไปสิขาบทที่สิชื่อว่าส ป, ปาะกับความว่าเทิดตุรู้อยู่ว่าน้ามีตัวสั์เอารถหญ้ารถดินเองหรือให้ผู้อื่นเอารถเป็นปาจิ ต, ตีเทไม่ให้ขาดสายน้ํหม่อเดียวเป็นปารจิ ต, ตีตัวเดียว รถให้ขาดสายเป็นปฏิตจีนับด้วยประโยคทำคลองให้ตรงไปน้ำไหลแม้ติ้นวันหนึ่งเป็นอาบัตตัวเดียวเ ท, ท่านั้นตั้งทำนบนำน้ำไปที่อื่นเป็ น, ปนอาบัต์นับด้วยประโยคทิ้งหญ้าและใบไม้เป็นต้นแม้มากในน้ำน้อยตัด จ, จะตายด้วยทิ้งหญ้าและใบไม้น้ำแห้งไปนั้นทิ้งด้วยประโยคอันเดียวก็เป็นอาบัตตัวเดียวทิ้งทีละสิ่งเป็นอาบัต์นับด้วยประโยคนับด้วยประโยคใช้ให้รถก็ตามเนี่ย ถ้าใช้ให้รถเป็นทุกกดด้วยบังคับผู้รับบังคับนั้นรถแม้มากก็เป็นปาจิตีตัวเดียวแกผู้บังคับในน้ำไม่มีตัวสัตว์สำคัญว่ามีตัวสัตว์หรือว่างสงสัยอยู่ในน้ำที่มีตัวสัตว์และไม่มีตัวสัตว์เป็นทุกกดถ้าสงสัยแล้วก็คืนบริโภครถด้วยสำคัญว่าไม่มีตัวสัตว์ด้วยไม่แกล้งหรือไม่มีสติและไม่รู้และพิจู บ, บ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตก็คือไม่เป็นอาบัตั น, นเอง สิกขาบทอนี้ก็เป็นสารนิติกะใช้ให้ลดก็เป็นนะมีองค์สี่ก็คือน้ํามีตัวสัตว์อย่างหนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์จะตายด้วยการรดเทอย่างหนึ่งแล้วก็น้ําคงจะแห้งไปอย่างหนึ่งรดหญ้าเป็นต้นด้วยจิตอันหนึง่งเว้นจากวัตฏฏะเจตนาไม่มีเจตนาฆ่าถ้าเจตนาฆ่าก็ตาสัตว์ตายอัปตากิตรีอันนี้ไม่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าเจตนาในการที่จะรดรดลงหญ้าที่ดินน้ําแห้งไป ตพราะในองค์สี่นี้จึงเป็นปัจจิติสมุทานิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอคินนาทานสิกขาบทแต่สิกขาบทนี้เป็นปันนติวัชชะมีจิตสามเวทนาสามของอคินนาทานนี้เป็นโลกัปปะชะทัญญาวิโมกโลกัปปะชะแล้วก็เป็นกิริยาเหมือนกันแล้วก็เป็นกายกรรมวิชีกรรมเหมือนกันเพราะว่าสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นอกุศลแจิตอคินนาทานเป็นอกุศลแจิตแล้วก็เป็นเวทนาสามแต่ว่า กขาบทข้อนี้เป็นจิตสามเวทนาสามเลยกุศลอกุศลนภโยกตะก็เป็นได้เท่งนั้นถ้าสมังจบดุติโยวัคโคจบวัคที่สองเอาแค่นี้ก็แล้วกันขอให้รักษาพระวินัยเป็นจิตใจเรื่อมใสในเจ้ศาสนาแล้วก็อบรมตรจิุขาเพื่อที่จะกระทำให้แจ้งมรรคผลนิพพานขให้เป็นตับใจกลางการบรรลุมรรผลนิพพานในการอันใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ